ในของตนที่เคยมับหนุนอยู่ตั้งแต่ขับเป็นคาราวาด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่งใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลาย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 มาทําสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่ yes, สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดทึงสัตว์ดิบดิานหรือสัตว์ประเภทใดก็ตามมันค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าของมนุษย์ของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่า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 จนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมายี่แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนนให้ได้เข้าอกเข้าใจเป็นลำดับลำดาและ ว, ว่ากว้างขวางออกไป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 ค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราดกระเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลา น, านานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ปริพานไปก็สองพันห้าร้อยกว่าปีนี้นี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรด า, าสัตว์ทั้งหลาย พวกเราที่เด้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำละาศาสางสิ่งไม่ดีภายในกายวาจาใจของตนให้จางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับไปปรากุศตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลง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 นั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องอุปัชาอาจารย์ในสถานที่ที่ตนจะไปบวชเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบัติไปชุมพร้อมความสามัคคีกันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติตามหลักทำหลักวินยัย ไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆอยก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิบทุกทุกสิกขาบทอันเป็นาศาสตราคงแทนพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวิไงข้อนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองค์ศาสดา ผู้เคารพพระศาสดาแม้ปริพาน์ไปแล้วก็สักแต่ว่าพระศ ร, ระีร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลก ท, ทั่วไปเท่านั้นส่วนความเป็นสาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิจิตวิสุทธิที่คุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ล่วงรับดับขันไปด้วย สิ่งใดๆมาทำลายได้เลยเป็นศาสดาเช่นนัน้นี่คือศาสตาในหลักธรรมชาติเทาว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จึงเป็นองค์แทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติธปฏธิบัติตามหลักทำหลักวินยัยศีกาบุตรน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพประพุทธใจเจ้าในขณะเดียวกัน ผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าในทรงแบ่งสันบันส่วนปันส่วนเอาอัดเอาทำเอาคุณงามความดีเอาความสุขคาําเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยใพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทําเป็นแบบคารวา หรือนิจใของเราที่เคยทามานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมหลักวินยัยขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความรบาบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการต้องฝื้นอยู่เสมอฝื้นอะไรฝื้นสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอานาจวาสนา ครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในสัพของธรรมะท่านว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื่ยังผลให้เกิดทุกข์แกผ่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันทีนี่เราต้องการความสุขเราจรึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็ พอให้อยู่เย็นเป็นจุกได้จพะพาออย่างยิ่งนักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แจ้งที่ลับมีความครบในสิขาบทนั้นๆอยู่เสมอเืดอการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนาสอนคน และผู้ปฏิบัติตามดีไม่ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติดไม่ได้เรียกว่าสวขาโตพระพุวตาธรรมโหทำอันพระกู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนะคำว่าธรรมเป็นคำรวมๆทั้งพวินัยทั้งธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรม เป็นคำรวมมไว้ทั้งพระวินยัยทั้งพระธรรมพระธรรมนิตกีปิดกสุตตันตปิดกพระอริธรรมปีดกก็รวมลงด้วย ก, กันกับพระวินัยปีดกเรียกว่าศาสนาธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคย มักผมจมอยู่ภายในใจของเราเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนถ้าเราเคยรับทานวันหนึ่งวันหนึ่งกี่มือ้อหาประมาณไม่ได้การวาดเป็นอย่างนั้นจิ๊บจับจับนอกจับ ทานเป็นมือเป็นมือแล้วยังมีพิจิตรับอยู่นันปากหาเวลาว่างไม่ได้คว้านั้นควานี้ท้องก็เล็กเล็กนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภานในจิตใจความทะเยอทะยานภานในจิตใจมีมากอืงต้องทำให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นคาวาสมา ไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความอยากความต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจําเป็นคือาธาตุขันต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกอกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปอีกมากมายมีการมาบวชล้วขั น, ฉ, นฉันมือเดียว เคยชันสองมือสามมือดีกี่จับจอาหารบวกอาหารว่างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่างเป็นประจำอยู่งั้นตลอดเวลาทีนี้เรามางดเสียชันเพียงมือเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วัน กี่มือ้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่ค ร, ราวนับไม่ถวนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไปทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตวิดิชานซึ่งหาเวลาเวลาในการกินไม่ได้นี่ก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทกไปหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือข้างว่าเป็นความดีอยู่เลยแต่การอด <c oughs> นี่คือความดีการอดให้กิน เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเวลา เ, เวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทำให้ล้มให้ตายถึงเวลาแล้วก็ได้ฉั น, เ, นเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวันก็เคยขินกันเข้าไปเคยขินกันเข้าไปความหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็ระงับดัดตัวของมันไป คามีหัวกม็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มีถ้าฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพลงไม่ได้คิดถึงคำอาหารคำอาหารเพลงอาหารว่างที่ไหนาหายเงียบไปเลยไม่มีกังวล น, นี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่ รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทยอทะยานแต่มาพึ่งหัดดัดแปลงเสียใหม่ให้รับทานเท่าที่จำเป็นต่อ่าตขันและเหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นห <c oughs> ลัหกวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันอาหมิอาหารหลักธรรมก็มัตตัญญิตาตาสาทุ หรือโพชเนมตันิยตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวลาเวลารู้จักความเพราะให้รู้จักความพอดีกับธาตุันเหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันลงไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทลักออกมา อย่างนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนการทําอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมนีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีแม้จะฝึออกอบรมคารวะาเพราะทนที่เหลืกปัญหาถุดลากไม่ไหว สิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพลนมืงเมืองดีทั้งหลายเราก็ทำได้ด้วยความเคยพื่อเพืปฏิบัติเคยคึือฝนอบรงมาแล้วคื อ, อว่าเป็นพุทธบุิศัทด์หรือเป็นลูกจิตที่มีครูไม่เตลิดเปิดเปิง แ, แหวนแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเด็กตุลล่าไป แต่เนตุการอบรมจิตใจใจมีความคืบความขนองอยู่ตลอดเวลาไม่มีิยาบุตรใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นธาตุขันก็ละงับตัวลงไปจิตใจก็ได้ พ, พ, พักผ่อนวิเลศ ก, ก็ไม่ออกเพลินพลานในเวลานั้นนั่นหละเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวันณนะฐานะมีจนความรู้ความเลาดมากน้อยเพียงไร มีความสุขเสมอกันในขณะที่หลับสนิทเพราะสิ่งรบกวนไม่แสดงตัวพี่เล็กความโลภ ก, ก็ไม่แสดงเวลานั้นเหมือนไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีถ้าลงได้หลับสนิทแล้วนอกจากไม่สนิทนั้นอาจละเมอเพ้อฝันไปตามอุปท า, านสัญญาความสําคัญมั่หมายในดีส่วนมากในชั่วพี่มันเคย ฝังจมอยู่ภายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามสัญญาอารมณ์อดีตทั้งตนที่ฝังจมอยู่ภายในนี้แลแสดงตัวมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกันความโลภก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวยิเลททั้งสามประเภทนี้พักตัว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 สังคมอยู่นิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นตะกรก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เพียงว่าสางบตัวกิเลสสงบไม่ทํางานเราก็มีความสุขขนาดนี้เราพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความผุ้พ้นจากกิเลสอันเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายให้เราได้รับความพุก่อนทารามเพียงกิเลสสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็ มีความถูกจะหลับไปตั้งกับทั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียดุกเต่าล้านเลนอะไรไรไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันที่ของเองร่างกายอยู่ของเองก็หมดค ว, มหวความห่วงความห่วงทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยเวลาที่หลับสนิทนั้นในที่นี้เกลียด เพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไห น, นความสุขทั้งโลกกันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายรายที่ผ่านมามยิ่งเอากิเลสให้สิ้นซากไปเลยจากจิตใจนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่า ยิเรเป็นตัวภยัยซึ่งขณะพอตื่นขึ้นมาครับยิเลดก็ออกทํางานนี่ยุ่งตลอดไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเปลียดจะเข้าความรับความชังจะเข้ากวนใจมันกวนทั้งนั้นไม่ว่าเปลียดว่าโกรธว่ารักว่าชัางเป็นเรื่องทำอํำจิตใจให้กระพื่อมขุ่นมัวไปทำามายใจหาความสงบร่รมเย็นไม่ได้เหมือนกับผูบ้บอลที่ถูกเตะกลิ้มไปกลิ้งมาอยู่เช่นนั้นแหละหาความสงบไม่ได้ การที่ลรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระศาสาง ส, สิ่งที่ก่อปวนจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปเพียงเล็กกระน้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจบังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบาก บ, บ้างเป็นธรรมนาของการประกอบงานคือความเปี่ยนทางด้านธรรมะเพื่อความสงบของจใจ ผูกกำหนดอนาปาณาสติลมหายใจเข้าก็ออกก็ให้พึงทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัส ม, มากเช่นปลายจมูกด้างจมูกสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ฉะนั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดแห่ใดจะพบจะเห็น จะเจอสิ่งใดในขณะทอนนาไม่ต้องไปคิดไปคาดอันเป็นการร้่นเดาเขย่าวความเพียทของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มละลายไปสติก็กลายเป็นของเดียวหลายแต่เสียให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับทำบุนั้นสืบเนื่องกันเป็นลดับเมื่อความรู้ ได้สืบเนื่องกันเป็นลนำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยที่เคยเราลุ่มจิดใจมานานให้มาทำพิษภัยพิ้นอีกในขณะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้เาษีมันสำคัญอยูมากทีเดียวงานอะไรจะยาก ยิ่งกว่างานแก้กิเลสหนักมากยี่กว่างานงานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดเาะฉผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าสุกภายในจิตใจนี้ออกจากใจจําต้องฝืนจําต้องทนทุกข์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเรื่องจีบฟางความภาคเปลี่ยนของเราไม่ให้ดําเนินเป็มเม็ดเต็นหน่วย เอาให้กินให้จ้างต่อหน้าที่ของเราเึกฝนอวบรวมจิตให้รับความสงบไปทำไมศาสน ธ, ธรรมอุบายวิธีการท่านก็สอนไว้แล้วเราก็เห็นในกำหนับํำลานอกจากนั้นยังมีครูมีอาจารย์อาจชี้แจงแนะแนวทางให้โดยถูกต้องแม่นยำอีกด้วยเราเพียงจะล้างมือเปะทั้งนั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้ คือจประกอบความภาคเพียรตามที่ท่านแนะแนวให้ทุกยากลําบากเราอย่าไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซาบให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมันเพราะความเพียรเป็นเครื่องเขาผลานกิเลสนี่เมื่อเราประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลําบากบ้างแม้แต่ยังไม่ประกอบมันก็ขี้เกียจไปก่อนแล้วมันในขณะที่ ประกอบความภาคเปลี่ยนมันก็คอยจะหาเหตุหาเรื่องให้ความเปลี่ยนล้มละลายหาว่ามีความทุกข์ความลําบากในการสุดผลทรมารในการเจ็บปวดและกลัากาวกายเพราะการนั่งนานเดินนานเดินนานบ้างอายบ้างมันหาเรื่องหาราอยู่ตลอดเวลาเรื่องของกิเลส <c oughs> ย่อมเป็นภัยต่อธรรมเสมอที่ในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันในจิตเราที่แหล่ เราจรึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเด็กปัญหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันมาหนานันไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วทิ่เด็กผิดไฟขึ้นมาเผาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอการจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกคายของเราเลย มีแต่ยอมรับยอมรับไม่คำนึงถึงเวลามีเวลามาจากในแบบหามกองทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสเป็นผู้สร้างเป็นมานี้ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วแบกมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคุณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมขิดเวลาจะมาประกอบความภาคเพียงเพื่อความสงบเย็นใจอืกิเลสมันกระสิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกข์ลำบากยากเย็นเขฉนใจ อยู่ในบ้านในเดือนเราสะดวกสบายขายสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เหมือนไฟในรกเผากันนั่นแหละแต่และครอบครัวแต่และบุคคลไม่พูดเฉยๆสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปกมีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนำมาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายสิ่งไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายใ น, ในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนอากพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นเลยผู้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมากความจริงมีอยู่ที่ไหนจะย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้น มีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดในฐานะใดชาติท่านวันใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมสมอยู่ภายในใจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโลดโอม อ, อยู่ภายในดางนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระ บ, บายทุกเลยเพิ่มทุกเข้าไปมีอยู่ทุกหัวใจนี่มันเคยเป็นมานานเท่าไหร่ เราไม่ได้คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างเหรอพอจะมีทางดับไฟกล่องนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลําดับด้วยความภาคเปลี่ยนของเรากต่เมื่อมันเกิดความทุกข์ความลําบากก็พึงละลึกถึงองศาสดาผู้เป็นแบบฉ บ, บ, บับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกอันใหญ่หลวงก็ พระองค์เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉับเต็มภูมิของศาสด า, า, าแล้วเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสน า, ศาก็ควรจะเยี่ยงอย่างของท่านมาดําเนินเอาพิชปฏิบัติทุกก็เดินตามล่องรอยของพระุทธเจ้าที่พาทุกมาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกมาแล้วเดินตามร่องลอยของท่านไปเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่ตนทําไม เราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียงนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งหตามภูมิของพระที่เป็นสาสยบุตรของพุะพุทธเจ่ายแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่สาวกทายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์และจิตใจเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันกับพวกเรา ท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ต่ำช้าเร็วชา ม, มากไปแล้วเหลือพิจารณายิตสัดขันธ์ก็มีเหมือนกันต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดฝึกหัดจนมีความชำนทํานานฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะอย่าให้มันเป็นด้านกิเลสเวลานี้เป็นนิสัยของกิเลสนานิสัยของกิเลสออกแสดง ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดทริยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาเท่งนั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราเราจะไปรู้เหมันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเยน็นทำประพฤติปฏิบัติอัดทำขึ้นไปโดยลําดับลำดับสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะละควรจะฟาดฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทําอำต้องรู้ต้องต้องทราบ ต้องต่อสู้กันต้องชำระได้ไปเป็นลําดับรู้เรื่องของกันไปเป็นลําดับลำดับสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเครื่องของกิเลสตั้งแต่ขั้นดยาบๆจนกระทั่งละเอียดแหลมขมที่สุดของกิเลสได้โดยลําดับลําดับและปราบให้เรียบราอไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอํนานาจแห่งความเพียรเป็นเครื่อนหนุนสติปัญญามันเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลาย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 ล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้แต่นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้น่าได้หลังอะไรก็ถูกกิเลสทําลายจนได้อล้มหายไปเลยคําว่าล้มหายไม่ได้หมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั่นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มหายไปเลยหาสติสตังไม่ได้แล้วเตลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้ยังไงมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกําลัง มากในขณะที่เรายังไม่มีกำลังของธรรมมากเท่ามันจึงรู้ไม่ทันมันและถูกมันทำลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปหมดมันต้องพยายามฝึกผลอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลาดับ ว, ว, ว, ว, วันนี้เคลื่อนคลาดยังไงวันนี้แพ้อะไรกับพิเรศบ้างแล้ววั น, นวันนี้จะเอาชนะกับพิเรศประเภทใดบ้าง เราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของเราวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไง ร, ระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องทันกันอืมกิเลสจะค่อยหลุดลอดไปเป็ปนลาดับ เพราะเราบกคลั่งตรงไหนเราฟิตเราซ้อมขึ้นโดยลำดับไมฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อ ย, อยจนมีความเทียงไกลชำนี้ำํานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็ยิ่เล็ตัวไหนโคหน่ามาไม่ได้นั่นถึ ง, งขั้นทำมีกำลังยิ่เล็ขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากจะพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบ อยากพบกิเลสคือตัวฆ่าสุดค้นหาเพื่อจับพบในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดปันกันให้แหลกแตกกระใจายในขณะนั้นด้วยนี่ที่นี้ไม่มีอะไรคุณชั่วกิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดุดดื่มในธรรมทั้งหลายความดุ ด, ดื่ในธรรมกับความเพียรย่อมควมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลสุดท้ายยาบด ท, ทั้งสี่เว้นตลับเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องของความดุดดื่มในธรรมเป็นเรื่องการ ฝุดค้นหากิเลสเพื่อจะทำลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยไถ่เดียวเท่านั้นนี่ขณะที่ทำมีกำลังเห็นได้ชดัชดชัดภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกำลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปียกไปหมดนะอ่าขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วอ่อนไปหมดก็เยอะตัวไม่ขึ้นงอหัวไม่ขึ้นนี่จะกิเลสเหเยียบลงเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอย พยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกําลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆวิเดชก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาขั้นฉลาดแหลมคมเอาจนได้ไม่มีเหลือเกลี้ยงไปาการในจิตใจเอาที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่นะอยูไหนก็ไม่หา พออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วนา้นความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมมันต้องไปหาที่ไหนความสมบูรณ์ความของความสุขก็เช่นเดียวกันเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภ า, ายในจิตใจแล้วจ ะ, จะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหิ้โหยอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่แน่อยู่แล้วเต็ม อัดเต็มทางเต็มจิตเต็มใจแล้วหาอะไรนั่นแหละทันทีว่าท่านไม่หมายประชา้าท่านไม่ไม่หาหาอะไรพอแล้วไม่หาไม่มีอะไรกวนใจอีกนี่ท่านว่านิพพานังประมังสุขขงังหลักทาของปรามังสุขขังทแท้ๆหลักของนิพพานทแท้ๆ เอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเอาใจดวงที่บริสุทธิ์นึงเราจะเอาอะไรเอาน้ําเป็นน้ําเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอายิ่งเป็นดินเอาอากาศกระทัดเป็นอากาศกระทัดไม่ใช่นิพานออืเอากิตตัวจิเลตย่ายีตีตัวจิเลตเคยย่ายีตีแหลบอยู่นี่แหละอบฟาดจิเลสให้มันแหลบแต่กระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพานถามหาทําไม ปรามังสุขข่าเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมมะดูที่นั่นดลยนิพพานเที่ยมจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่กิเลสครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกาเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดำดำเพราะอำนาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปจิยากิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมท่านเรืมกิเลสสมมาตรสามมันกล่าวไว้นั้น มันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสวัด์มันแตกกระจายไปหมดแล้ว ม, ลมันก็ไม่มีอะไรมาควนวัตตะวัตวตะหมุนมันก็ไม่มีมีผลต้องการไป็นแบบต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบืนบุษาพยายามมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปคว้าอมาั์เต็มไม้เต็มมือทีเดียว ทางนั้นก็ไม่เป็นของแปลกธรรมพระพุทธเจ้านะ่ะสู้เขาไปคว้าเอาเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบำเป็นธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยไปสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเอื้อมเข้าถึงนิพพานได้ด้วย อ, อนำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระสักฟอกหรือเป็นทางดาเนินมีวันมรรคค า, ามรรคคาปฏิปฏัฏฐานมีนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญภาพกันประพุทธปฏิบัติ ยาอ่อนข้องอมืออยู่ที่เถยดเราไม่บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอบราบต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสความโลภ ก, ก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิลเลสคลวามขี้เกียจที้คลานความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลส Barnes. สิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจเต็มอยู่ที่อาการ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 เรียนยังไม่ถึงมันมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเราเราเข้ากับกิเลสไปหมดเราก็เป็นกิเลสไปเสียกิเลสเป็นเราไปอันเดียวกันแยกกันได้อย่างไงเนี่ยเมื่อมันแยกแล้แล้วมันก็รู้ว่ากิเลสกับเรามันต่างกันกิเลสกับธรรมจริงต่างกันอ๋อไม่เห็นทับเก่งไงบวชมาในศาสนาแล้วมันเป็แบบความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านก็เหดูได้หรือ อ ะ, อะไรก็ได้เกิดสอนมาเต็มที่กาลังความสามารถแล้วจึงไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ดสอนหมู่สอนคณะก็สอนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิดถึงใจทุกแง่ทุ ก, ทกมุมจนไม่มีอะไรเหลือเนี้ยผู้ปฏิบัติตามทำใไไ้เรื่องในราวแล้วก็หมดทางจะทํำยังไงดีก็เทกเทดดุกว่าเ ท, ทก ตามประเภทของกิเลสที่แสดงออกมาให้เดเทเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอยากคิดทั้งอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวกิยามายาอาการเคลื่อนไหวของตัวฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศคนไม้ภูเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วอยู่ที่ใจชั่วยอยู่ที่กายวาจาของตน ชั่วอยู่ที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราหยุฝึกไม่ได้พรุทธเจ้าไม่สอนพพุทธเจ้าไม่ฝึกแล้วไม่สอนต้อคนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็เอกสาวกสงฆ์ก็เอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นวิเลียนเป็นของแก้ได้ถ้าแก้แม่ทดาไมสอนให้แก้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 เอาคงนี้อย่าไปคิดทังเกียเวย่ำเหมื่อยละการอยู่ด้วยกันมู่งมากก่็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสังสมสม่งเสริส ม, สมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบ โลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเ น, นเรดาวในวัดเราให้เห็นว่าเป็นของที่อยากโลนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่ความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่น บ, บัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนผี่ั อบรมหรือตัเกเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเมตต์ผลเห็นด อ, อกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ปิดของตนนั่นชื่อว่าถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับก็รับโดยธรรมแต่ ป, ปฏิบัติเป็นที่มงคลแก่ตนเนี่การอยู่ด้วยกันเป็นสําคัญมากมัดระหว่างข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจําเป็นของเราแต่ละองค์ละองค์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 ไม่มีคําว่าทะเลาะบอแวงและแทะราคายซึ่งกันและกันเพราะสิ่ง่านี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้เข้ามาในวงของภาคผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันติอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัวในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบถ้าได้สัตว์ได้ส่วนนั่เฉลีย่ยเปล่าแย่ ความเหมาะสมให้แก่คณะกรรได้ด้วยความผาสุกเย็นใจด้วยกันมีหลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะบอกแย้งซึ่งคณะกรรการไม่มีรละแค่ราคายเหมือนกันกนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งคณะกรรการเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มากระเพิดปฏิบัติธรรมความเย็น อ, อกเย็นใจจะมีได้ทั้งที่ใหญ่ทู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกัน พากันนาไปปฏิบัติ่ินทรียกว่าโสสังโสปัาเป็นพระสงค์ที่งามเป็นสง่าราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสง่าราศีแก่ประชาชนด้านโยนที่เนี่เห็นได้ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพ่างาแบบหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิ ส, ยสัยด้านดาษ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 ดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนะักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทางเหตุทั้งผลเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อตอบตัว เ, เพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปาปรามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเดียงลำดับนั่นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปัยิโกโอปัญญโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอก เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนต่างใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเรื่องภาวนาเอาให้สงบให้ได้นะนั่นสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเย็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาด ฉลาดทางด้านธรรมะปัญญาทางด้านธรรมะกับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันจิตสงบผิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจจิตสงบต่องทําใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่ได้เพราะงั้นท่านจึงว่าสมาธิปริพาฏาปัญญามหาป ร, ราหุติมหานิสังสา ปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมได้ผลเป็นที่พอใจแปรตามความจริงไปเลยการท่านยิ่งสอนให้ทำจิตให้สงบจิตสงบจิตก็ไม่หิวโหวยพิจารณาอะไรก็คล่องตัวผิดกับจิตผิดฟุ้งซ่านลำคาญเป็นในไหๆปัญญาทางด้านธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทางโลกเป็นใไห น, ไหน อะไรมันเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมานั่นแหละที่นี่วะเป็นภาวนามะยะปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามะยะปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั่นคนนี่ดูครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนาเนี่ยมันเป็นทั้งมันโดยมหนักบจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นแหละ ผลการพอวนาออกเป็นปัญญาเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำทับน้ำซึมปัญญาปริภายต่างกิจต่างสมเดวยวอาศรรยัยหิมุจจติยิตที่ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแก้ไขถอดถอนแล้วย่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบอคำว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะ เป็นเครื่องปราบกิเลสทางนั้นตรงกันข้ามปัญญาทางโลกสังสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่นจึงเรียกว่าโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกันอเอาต่อไปนี้ท่านปัญญาอุบายน้อก